ไม่ถึงนิพพานเพราะพัดออกนอกทางจนหลงทางก็สาวกของพระโคดมผู้เจริญเมื่อพระโคดมกล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกๆรูปได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสําเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งหรือหรือว่าไม่บรรลุพร่ำผู้หนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคพามำสาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอน อยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่มบางพวกไม่ได้บรรลุพระโกโดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่พระนิพพานก็ตั้งอยู่หนทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระโกโดมผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่ทำไมน้อยพวกที่บรรลุและบางพวกไม่บรรลุ พราม์เราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านจงตอบตามควรท่านเป็นผู้ช่ำชองในหนทางไปสู่เมืองราชครึกไม่ใช่หรือมีบุรุษผู้จะไปเมืองราชครึกเข้ามาหาและกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชครึกขอท่านจงชี้บอกทางไปเมืองราชครึกแก่ข้าพเจ้าเถิดดังนี้ ท่านก็จะกล่าวกับบุรุษผู้นั้นว่ามาสิท่านทางนี้ไปเมืองราชครือไปได้ครู่หนึ่งจะพบบ้านชื่อโน้นและจับเห็นนิคมชื่อโน้นจะเห็นสวนและป่าอันน่าสนุกจะเห็นภูมิภาคอันน่าสนุกสาวโบคอรณีอันน่าสนุกของเมืองราชเครือดังนี้บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้ให้อย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิด กลับหันหลังตรงกันข้ามไปส่วนบุรุษอีกคนหนึ่งท่านท่านพร่ำสอนบอกชี้ทางอย่างเดียวกันไปถึงเมืองราชคลือได้โดยสวัสดีพรามเมยอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่เมืองราชคลือก็ตั้งอยู่ท่านผู้ชี้บอกก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบุรุษผู้หนึ่งกลับหลงผิดทางส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งไปถึงเมืองเมืองราชคลือได้โดยสวัสดี พระโคดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะทําอย่างไรได้เล่าเพราะข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นพราหมณ์ฉันใดก็ฉันนั้นแหละที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่แต่สาวกแม้เรากล่าวพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพาน อันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพรามในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นแต่ผู้บอกทางเท่านั้นพวกเราก็กำลังเดินทางนะครับพระองค์ก็เป็นผู้บอกทางแล้วก็ได้มาฟังคำแล้ว ก็ไม่ได้ย่อท้ออะไรกันนะครับก็เต็มที่ก็อยู่ให้คุ้นเคยกับความสงบเพราะเรื่องที่เราฟังมาทั้งหมดก็เป็นแก่นแกนซึ่งถ้าจะตั้งชื่อคอร์สนี้นะครับผมว่าชื่อคอร์สนี้เนี่ยน่าจะชื่อว่า คอสนี้ไม่มีในโลกไม่มีใครเขาทำกันแบบนี้เอาง่ายๆเลยเนี่ยถ้าผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเอี้ยนผมก็จะสอนคำหลวงพ่อเอี้ยนแต่นี่พวกเราเอาพระธรรมเป็นที่ตั้ง เราก็จึงไม่ได้อะไรก็คือครูบาอาจารย์ที่มีพระธรรมเราก็น้อมเข้ามาเพื่อเห็นหลายมุมมองยากไหมอย่างที่ผมบอกคงไม่ได้ใช่เรื่องยากนะครับเราทำได้ไหม คิ่ผมก็คุยกับป้อมเหมือนกันนะครับมันเหมือนเราเป็นไม่สบายเนะี่ยเหมือนเราไม่สบายเป็นโรคร้ายถ้าผมเป็นคนที่ไม่สบายเป็นโรคร้ายผมต้องการให้หมอพูดตรงไปตรงมาแล้วให้หมอบอกเลยว่าผมจะหายจากโรคร้ายได้ยังไง หมอไม่ต้องคิดแทนผมว่าผมจะทำได้หรือทำไม่ได้สิทธิ์ของผมหมอพูดมาตรงๆแล้วก็บอกมาว่าทำยังไงถึงจะหายอย่าคิดแทนผมอย่าเผื่อว่าผมจะทำได้หรือทำไม่ได้ถ้าผมทำไม่ได้ผมรู้เองว่าผมพร้อมจะตายแต่ถ้าผมพยายามที่จะทำได้ ผมก็คงใช้ความสามารถของผมอย่างเต็มที่เพื่อให้รอดตายหลักสูตรนี้ผมไม่ได้ปรับมาเพื่อให้เข้ากับคาราวาสหรืออะไรทั้งสิน้นผมพูดตรงไปตรงมาไม่มีการบิดเบือนพระนิพพานไม่มีการบิดเบือนพระธรรมคาสังสอนเพื่อให้มาเข้ากับใครทั้งสิน้นผมเชื่อว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สเข้มซึ่งทุกคนหาทางเดินด้วยตัวเอง แต่ขอให้บอกตรงไปตรงมาอย่าบิดเบือนพระธรรมอย่าบิดเบือนพระนิพพานอย่าบิดเบือนอริยมรรคทางเดินที่เหลือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะจัดการเองเนเขมะไม่ใช่ผมสอนให้เนเขมะออจากกามผมไม่ได้พูดพระองค์พูดมาตั้งแต่ธรรมจักรกับปวัฒนสูตรแล้วไม่ใช่ผมผมถ่ายทอดทุกอย่างตรงไปตรงมาแค่นั้นเองนะครับ แล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนได้เห็นแล้วว่าทั้งหมดไม่ว่าจะกดแห่งกรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยขันปฏิจจะหรือว่าทุกอย่างธรรมะจะชั้นลึกแค่ไหนก็ตามที่เหลือพอท่านเห็นโอ้โหยาวอย่างนี้มันจะไปยาวขนาดนั้นสติท่านเกิดเองพอท่านจะทําอะไรผิดโอ้ยไม่คุ้มมากเนี่ยเนี่ยท่านก็จะเอง แต่ถ้าบอกว่ามันก็ยังไม่ได้อันนี้ผมไม่ทราบจริงนะบอกหมดแล้วก็ต้องที่เหลือก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันแหละนะถ้าจะว่าไปแล้วนะครับผมเองวันที่ผมได้ฟังก็ไม่ได้มากขนาดที่ท่านได้ฟังขนาดนี้แล้วแต่ผมรู้สึกว่าในวันนั้นนะฮะผมพุ่งขึ้นมาคำหนึ่งพอหลังจากเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นเข้าใจอะไรจากที่เขาสอนกันในคอร์สี่ย ผมก็มีความรู้สึกว่ากูตกนรกแน่เลยคำเดียวเลยที่ผมดังก็วกอตกนรกแน่คือไม่มีทางออกเลยที่ทำมาทั้งหมดผมแค่ถามตัวเองว่ามันมีทางรอดไหมเนี่ยที่จะไม่ตกนรกเพราะที่ทำมาทั้งหมดตกนรกชัวผมก็จึงเริ่มรู้สึกว่าถ้าการปฏิบัติวิปัสสนาเป็นทางออก จากวันนั้นถึงวันนี้ผมไม่เคยหยุดเลยเพราะคาเดียวที่สะ ก, กิดใจผมคือตกนรกแน่อันนั้นคือจุดเปลี่ยนเลยคือพอเห็นความจริงแล้วก็ก็พยายามที่จะหยุดทุกอย่างถึงแม้ว่าวันนั้นจะยังหยุดอะไรไม่ได้มากนะักแต่ก็มีจุดมุ่งหมายที่ปักแล้วก็พยายามเดินอาจจะหลุดออกไปก็ดึงกลับมากอะไรอ่เงี้ย พยายามเข้าคอร์สปฏิบัติบ้างก็เหมือนทุกคนที่ทําอยู่ตอนเนี้ยนะครับแต่วันนี้เราก็ตรงไปตรงมากันถ้าตรงไปตรงมาท่านก็จะเห็นเลยว่าถ้าท่านไม่ได้ทําอกุศลแล้วก็แค่หงุดหงิดนิดหน่อยหน่อยนะไม่ตกหรอกใ้เรื่องหงุดหงิดเนี่ยเวลาตกนมันตกที่มันร้อนแล้วมันเผานะครับใครที่ทุกข์แล้วมันร้อนแล้วมันเผาเนี่ยตรงเนี้ยตกแน่นะครับแต่ถ้าเราก็แหมเธออะไรอย่างงี้พูดนี้ไม่เผาไ ม, ไม่ไม่ตกนะครับก็เป็นแค่นิสัยที่ฝังไว้ในขัน แต่ก็ชําระไปเถอ ะ, ะครับเรื่องหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรเงี้ยจะได้มีอย่างที่พระเจ้าตรัสมีดวงตาที่งามอะไรเงี้ยอย่าไปใช้ตาถลึงมองใครท่านไม่เคยใช้ถลึงตามองใครมานานนักแลท่านบอกว่าท่านไม่เคยมองคนด้วยอกุศลเลยตลอดตั้งแต่ท่านสั่งสมบารมีมาท่านไม่เคยมองใครด้วยอกุศลเลยท่านมองทุกคนด้วยเมตตามาตลอดดวงตาท่านจึงงดงามมากนะครับ คนก็ถามว่าทำไมใบหน้าของท่านจึงงามราวกับกรอบรูปแล้วก็มีภาพที่สวยงามเหลือเกินท่านบอกว่าตถาคตตลอดการที่ผ่านมาเนี่ยนำพาผู้คนเข้าสู่การประพฤติดีทำดีปฏิบัติดีตลอดมาเลยเป็นผู้นำห ม, หมู่กลุ่มชุมชนนะนี่ทำความดี จึงมีผลทําให้ท่านเป็นผู้ที่มีใบหน้างดงามเหลือเกินเคยได้ยินไหมครับว่าที่บอกว่าถ้าถวายผ้าแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีผิวพรรณวันะสมมุติว่า ก่อนหน้านี้ไม่มีดอกบัวไม่มีอะไรเลยออกมาหมดเลยเนี่ยแล้วมีใครสักคนพอมากราบพระโอ้หน่าจะมีอะไรประดับซะหน่อยเนี่ยก็ไปหาดอกบัวหาอะไรมาตกแต่งประดับถูกไหมครับแล้วก็หันไปมองอีกทีเออดูงามดีหน่อยเนี่ยก็ ย, ยังชั่วหน่อยเกิดชาติหน้าก็เลยมีผิวพรรณวั น, นะที่ดีเชื่อไหม ภาพกระทบตาตั้งแต่เจตนาที่จะตกแต่งแล้วแล้วก็ประดับยิ่งถ้ า, าพับดอกบัวเห็นไหมใจคิดวิญญาณฝังภาพเหล่านี้พอตั้งเสร็จชื่นใจดีงามหน่อยแล้วก็กราบ ทุกอย่างถูกบันทึกเข้าไปหมดถูกไหมแล้ววันที่ไปรหัสถอดรหัสเป็น DNA เป็นกายชรูปขึ้นมาทำไมพวกนี้จะไม่ออกมมล่ะแล้วพระเจ้าเห็นหมดว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรแต่พูดอย่างนี้อย่าไปทำเพื่อสิ่งนั้นนะครับทำเพราะความรู้สึกที่ดีเท่านั้นเองบุญเนี่ยวันนี้ทำไมทำแล้วไม่ค่อยได้ ก็เพราะว่าเราไปรู้มากเราไปรู้ล่วงหน้าเราไปรู้อ น, นิสงส์ผมบอกแล้วว่าเทวดาเนี่ยเป็นผู้ที่เห็นอนาคตเพราะฉะนั้นเวลาเทวดาทําบุญเทวดาจึงรู้ว่าเมื่อทําเท่านี้สมมติว่าวันหนึ่งเทวดาอยากจะทําบุญกับ อ, อะไรไม่รู้แหละนะครับสมมติทําทไปหนึ่งร้อยก็เห็นวิมานพึุกขึ้นมาสมมติว่าวิมานมูลค่า หนึ่งหมื่นพอทํำหนึ่งร้ทําเทวดาทํานึ่ร้อยแต่เวลาเทวดาจะทำสมมติจะทําจะถวายดอกไม้แล uh ้วกันถวายดอกไม้ก็ถวายดอกไม้หนึ่งร้อยนะครับปุ๊บได้อานิสงส์หันไปดูอีกทีปุ๊บได้หนึ่งหมื่นอย่างเงี้ยนะครับเป็นมมนค่าแล้วกันทำร้อยได้หมื่นร้อยหนึ่งเหลือพันหนึ่ง ยังไงเพราะตอนแรกไม่ได้หวังผลทำร้อยได้หมื่นได้มื่นเหรือตอนนี้อยากได้มื่นจึงทำร้อยพอทำร้อยทำไมเหลือพันชักอารมณ์ไม่ดีแนละ้วทำพันได้ร้อยอยังไง <laughs> เทวดาชักงงงงดูมนุษย์ ดูมนุษย์ใส่บาทไปทําอาหารไปถวายบ้างมนุษย์ทําร้อยได้ล้านหอะไรวะเราทําร้อยได้หมื่นเดียวมนุษย์ทําร้อยใส่บาทปุ๊บได้ล้านยังไงเพราะมนุษย์ไม่รู้ทําใส่บาทเพราะเห็นว่าจะได้ เกื้อหนุนให้พระศาสนาจเจริญต่อไปพระสงฆ์จะได้มีอาหารรับประทานจะได้สืบทอดพระศาสนาก่อนที่จะใส่บาตรก็ไปซื้อกับข้าวมาตั้งแต่เมื่อวานตื่นเันื่อตีสี่มาผัดกับข้าวยากเย็นเพราะมนุษย์ไม่สามารถได้ต้องใช้กายหยาบที่เหน็ดเหนื่อยอ ย, อยู่หน้าเตานะแล้วก็เอาใส่ปิ่นโต นั่งรถเมย์ขึ้นสองแถวไปกว่าจะถึงวดัดโอ้โหคนเต็มเลยก็ต้องเบียดกันเข้าไปจัดอาหารถวายโอ้โหลงปู่ไม่ฉันอีก <c oughs> <c oughs> คือฝ่ฟาฟันทุกอย่างกว่าจะเสร็จแต่ละขั้นตอนเพื่อถวายอย่างเดียวกันแต่มีที่มาที่มีความใช้ความเพียรสูงมากถวายไปร้อยหนึงขึ้นล้านน่เลยจริงๆก็ไม่น่าถึง แต่เพอเอิญไปเจออริยะบุคคลก็ไปอีกเจอเข้าไปอีกเด้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับปุ๊บเลยขึ้นกันใหญ่เนะทวดาก็เลยอเป็นมนุษย์นิดดีนะมนุษย์ทำนิดเดียวได้มากจังเทวดาทำเยอะแต่ไม่ค่อยได้เพราะว่าหนึ่งคือความเพียรในการทำก็น้อยกว่าสองไปรู้อานิสงส์ซะอีกหลังจากนั้นมนุษย์เริ่มรู้จักอานิสงส์ โอ้ถ้าไปหาครูบาจารย์ที่เป็นอริยะนี่นะทำแล้วจะได้เยอะจึงไปทำบุญกับพระอริยะเริ่มจะไปเอาปลายทางเหมือนกันชักคล้ายๆเทวดาละพอรู้ว่าทำกับอริยะได้เยอะจึงไปหาอริยะแล้วก็ทำบุญทีนี้ไม่ใช่บริจาคแล้วเพราะจะเอาผลเอาละสิ ทำร้อยเหลือมหมื่นเฮ้ทําไมได้บุญน้อยจังเทวดาก็อืทําไมมนุษย์เดี๋ยวนี้ทําบุญแล้วได้นิดเดียวเพราะทุกคนเวลาจะทําบุญก็รู้สึกว่าเราจะได้มีกินมีใช้จะได้อะไรอ้าวตกลงไม่ได้ให้หรอเพราะเริ่มจะเอาเริ่มจะเอาล้วมนุษย์ทำร้อย ทำถ้าจะติดลบลงไปเรื่อยๆวันนี้ทำก็หวังสวรรค์วิมานไม่ใช่ทำเพราะให้อีกต่อไปเสร็จเทวดาก็ถ้างั้นก็เหมือนๆลแล้วเซมๆมนุษย์ก็ไม่เท่าไหร่ละเพราะว่า <c oughs> รู้มากเลยยากนานเลยทีนี้ส่วนใครไม่สนไม่สนบุญอะไร บุญคือการชําระการสละออกทํามีปัญญาทําำทำมีปัญญาให้ให้มีปัญญาถวายถวายท่านจะได้มีกินมีช่วยงานพระศาสนาคือออกนอกตัวหมดไม่มีอะไรเอาเข้าล้วล้างห้องน้ําก็เพราะว่าจะได้ห้องน้ําสะอาดคนอื่นจะได้มาใช้ไม่ใช่ล้างเพราะอยากได้บุญซื้อของถวายพระก็เห็นว่าพระขาดที่นู่นที่นี่ขาดเออหลอดไฟขาดแต่ตอนนี้เราซื้อหลอดไฟถวายพระเพ ร, ะเพราะอยากจะเป็นผู้มีสติปัญญา <c oughs> มันวนกลับมาที่ดีหมดเนี่ยมันก็เลยลด ว, วบหาบเลยทีนี้ ว, วบห้าบเลยนะเพราะฉะนั้นเตือนไว้ฝึกการเป็นผู้ให้ไม่ต้องเป็นสนใจผลเมื่อไหร่ทำเหตุ ด, ดีหมดการรู้ลมมันไม่สงบผมบอกให้รู้ลมผมไม่ได้บอกให้สงบสงบไม่สงบเป็นผล ควบคุมได้ที่ไหนเหตุปัจจัยมีมากมายไก่กองนี่ก็รู้ตามที่อาจารย์บอกแล้วในชีวิตประจําวันคุณไม่รู้มาเลยไม่ละมาเลยไม่เคยเนตข ม, มากอะไรเลยทุกอย่างปล่อยให้ดันที่ราคาตันหาเต็มหมดแล้ววันนี้จะเอาสงบจากไหนล่ะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าทุกคนมีตอนนี้ก็เห็นภาพรวมกันหมดแล้วนะครับแต่ใครทําได้แค่ไหนอนนั้นก็เป็นสิทธิส่วนตัวแล้ว เนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยกันมาหมดเปิดให้ดูกันหมดแล้วจะธรรมะชั้นลึกชั้นสูงชั้นอะไรแค่ไหนเข้าใจได้หมดเอาวิชาเป็นยังไงเป็นยังไงได้หมดเนี่ยเข้าใจหมดแต่ตอนมันขึ้นที่นี่มันไม่เห็นแต่มันขึ้นที่นู่นเห็นมันขึ้นที่คนอื่นเห็นแต่ขึ้นที่นี่ไม่เห็นอย่างเงี้ยขึ้นที่กูไม่เห็นแต่ขึ้นที่มึงอะกูเห็นเนี่ยขึ้นที่จอเห็นอาสวะคืออะไรเห็น แต่ไม่ได้ชําระที่นี่แต่ไปชําระที่จอนะครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้การภาวนาจริงมันต้องดึงกลับเข้ามาตรงนี้เราก็ไม่อยากที่จะพูดจริงอย่างเงี้ยฟังแล้วก็สะท้อนใจทุกครั้งที่พราหมณ์ถามว่าท่านโคโดมก็ยังอยู่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ ทางให้ถึงพระนิพพานก็ยังอยู่แล้วลูกศิษย์ของท่านทุกคนถึงพระนิพพานหรือท่านบอกเปล่าน้อยคนนะักที่ถึงพระนิพพานฟังแล้วมันก็นะน้อยคนจริงๆเลยที่ท่านตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยมันน้อยเหลือเกินแต่ก็พวกเราก็ไม่นั่นแหละนะที่พูดเนี่ยเพื่อให้ แก้วกล้าครับแก้วกล้าก็ต้องศึกษาให้สุตตะเนี่ยเข้าไปช่วยให้เกิดการภาวนามากๆ